เหมือนมือไม่มีแผลเพราะร้าพาสิทิ์ปานิมหิเจวะโนนนาสะหระระยปานินาวิสังนาปนังวิสมันเวตินาถิปาปังอากุปปโตแปลความว่าถ้ามือไม่เป็นแผลบุคคลย่อมสามารถนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้ยาพิษย่อมไม่ซึมซาบเข้าไปชันใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำชันนั้นอธิบายความสิ่งสิ่งเดียวอาจเป็นอันตรายสำหรับคนหนึ่ง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 คำพูดของคนอื่นย่อมเสียดแทงใจได้ง่ายสิ่งนั้นซึมซาบเข้าไปให้เป็นพิษแก่จิตใจเปรียบเหมือนใจมีแผลอยู่แล้วอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็เกิดเป็นพิษขึ้นเมื่อจิตมีราคาเป็นพื้นฐานอยู่ก็เหมือนกันเมื่อมีรัชนยารมณ์มากระทบอารมณ์นั้นย่อมแสกซึมเสียดแทงเข้าไปภายในจิตโดยง่ายบุคคลผู้มีจิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าอารูทูปะมะจิตโตปุคโลแปลว่า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 แต่มันมีอิทธิพลมากต่อผู้ที่จิตใจ ย, ยังอ่อนไหวอยู่เมื่อพูดถึงบาปบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำไม่เกี่ยวข้องแม้เขาจะอยู่ในหมู่คนบาปแต่บาปก็หาแปดเปื้อนเขาได้ไม่เขาอยู่ในโลกอย่างผู้ไม่มีบาปบริสุทธิ์ผ่องใส ย, ยิ่งเห็นคนอื่นทำบาปมากเขายิ่งทำตนเฮิรนห่างจากบาปเพราะได้มองเห็นตัวอย่างแห่งผู้ทำบาปแล้วเกิดขยะแขยงขึ้นในใจพระศาสดาทรงสแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เวรุวันวิหารเมืองราชฤกษ์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 ไม่ว่าการค้าประเภทใดวันหนึ่งเธอยือนรับลมอยู่ที่นาต่างมองลงมาที่ถนนเห็นในพรานคนหนึ่งกำลังขับเกวียนซึ่งเต็มไปได้วยเนื้อเพื่อ น, นำไปขายที่ตลาดเนื้อเธอมีจิตปฏิพักษ์ในนายพรานนั้นเพราะบุเพสนิวาสจึงให้หญิงคนใช้ใกล้ชิดของตนนำมรรณาการไปให้ในพรานแล้วถามถึงเวลาที่เขาจะกลับออกไปในพรานบอกหญิงรับใช้ว่าวันนี้เมื่อเขาขายเนื้อหมดแล้ว รุ่งนี้ช้ามืดจะออกไปทางประตูน้นหญิงรับใช้มาบอกธิดาเศรษฐีนางเตรียมเก็บของเท่าที่จำเป็นนุ่งผ้าเก่าๆถือหม้อน้ำทำทีไปสู่ท่าน้ำแต่เช้าตรู่เมื่อนายพรานขับเกวียนออกมาเธอก็เดินตามไปเมื่อเห็นผิดสังเกตนายพรานจึงกล่าวว่าฉันไม่รู้จักท่านว่าเป็นลูกใครอยู่ที่ใดอย่าตามฉันไปเลยกลับเสเธอ น, นางตอบว่าท่านไม่ได้เรียกฉันมาฉันมาของฉันเอง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 เธออยู่กับนายพรานมีลูกเจ็ดคนโดยดําดับต่อมาเมื่อลูกโตแล้วได้จัดการให้แต่งงานทุกคนวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระศ า, ศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนัยสัตย์พ่อพระเนเหินอุปนิสัยของพรานกุกกุตมิตรพร้อมทั้งบุตรและสภัายจึงเสด็จไปโปรดเสด็จไปที่ดักบวงของในพรานแต่เช้าตรู่ทรงแสดงรอยพระบาทไว้ที่ใกล้บวงของในพรานแล้ว หลีกไปประทับนั่งใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งวันนั้นเนื้อสัตว์ตัวก็ไม่ได้ติดบ่วงนายพรานกุกุตมิตรออกไปดูบ่วงแต่เช้าตรู่ไม่เห็นเนื้อติดบ่วงเลยแต่เห็นรอยพระบาทพระาศาสดาที่ใกลบ่วงจึงคิดว่าคงจะเป็นบุคคลผู้นี้แน่ที่มาลอบปล่อยสัตว์ที่ติดบ่วงของเราเดินต่อไปเห็นพระาศาสดาประทับนั่งอยู่คนไม้ต้นหนึ่งคิดว่าคงต้องเป็นสมณะรูปนี้แน่ที่ปล่อยเนื้อของเรา จึงโกงธนูหุ่งจะยิงพระศาสดาทรงบันดาลด้วยอิทธาพิสังขารคือการแสดงฤทธิ์ให้ในายพรานโกงธนูอยู่อย่างนั้นยิงไปไม่ได้รถธนูลงก็ไม่ได้นายพรานยืนอยู่ในท่าโกงธนูจนปวดสี่ข้างทั้งสองปานจะแตกน้ำลายไหลฟูมปากอ่อนเพลียไม่เห็นว่าบิดาออกไปนานไม่กลับพวกบุตรคิดว่าคงมีเหตุร้ายอะไรสักอย่างจึงออกไปตาม เห็นบิดาอยู่ในท่าอย่างนั้นคิดว่าผู้นี้คงเป็นศัตรูกับบิดาของเราจึงโก่งธนูขึ้นเพื่อจะยิงพระศาสดาทรงบดาลให้ยืนอยู่อย่างนั้นไม่ให้ปล่อยธนูและไม่ให้ลดธนูต่อมาบุตรภัยและพัญญาของนายพรานมาตามเห็นดังนั้นนางตกใจเข้าใจว่าสามีและบุตรของตนกําลังจะประหารพระผู้มีพระภาคจึงร้องขึ้นว่าอย่าให้บิดาของเราต้องพินาศเลยอย่าให้ธิดาของเราพินาศเลย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 พระทศพลทรงแสดงอนุปพิกถาเมื่อจบเทศนานายพรานกุกุตมิตรพร้อมทั้งบุตรและสภายได้บรรลุโสดาปติผลส่วนธิดาเศรษฐีได้บรรลุโสดาปติผลมาแล้วตั้งแต่อายุอย่างน้อยเมื่อพระตถาคตเจ้าเสด็จมาอย่างวิหารเวลุวันพระอ น, นุทูลถามว่าวันนี้เช้าเสด็จไปแห่งใดตรัสรตอบว่าเสด็จไปโปรดพรานกุกุตมิตรพระอ น, นุทูลถามว่า ทรงกลับใจในพรานให้เหลิกปานาธิบาตแล้วหรือตรัสตอบว่านายพรานพร้อมทั้งบุตรและสะพายได้บรรลุโสดาปันติผลแล้วพิสุทธ์ทั้งหลายทูลถามถึงพัญญาของนายพรานพระศาสดาตรัสว่านางได้บรรลุโสดาปันติผลตั้งแต่อายุยังเยาว์พิสุทธ์ั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าได้ยินว่าพัญญาของนายพรานกุกขตมิตได้เป็นโสดาบันตั้งแต่อายุยังเยาว์ แต่นางหนีมาดาบิดาไปอยู่กับนายพรานและต้องทําตามคําสั่งของนายพรานตลอดกาลนานว่านางจงนําธนูมาจงหยิบลูกศรมาจงนําหลานําข่ายมานายพรานถือเครื่องประหารที่นางให้แล้วไปทําปาณาธิบาตอยู่ประจําก็พระโสดาบันยังทําปาณาธิบาตยังส่งเสริมปาณาธิบาตอยู่หรือหนอพระตถาคตเจ้าเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระโสดาบันหาทําปานาธิบาตไม่ แต่ที่อิทิดาเศรษฐีทําเช่นนั้นก็ด้วยจั้งใจว่าจะทําตามคําของสามีนางหามีจิตทางปานาทิบาตไหมนางวิได้มีเจตนาสนับสนุนว่าขอให้ในพรานนําเครื่องมือเหล่านี้ไปประหารสัตว์เถิดภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าเมื่อแผลที่ฝ่ามือไม่มียาพิษไม่อาจให้โทษแก่ผู้ถือยาพิษได้ฉันใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทาบาปฉันนั้นแม้จะนําเครื่องประหารมีธนูเป็นต้นมาให้ เพราะเขาไม่มีอกุศลเจตนาในปาณาธิบาตนั้นดังนี้แล้วปัดพระคาถาว่าปานิมิเจวโนนาสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนนามาแล้วแต่ต้นต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนาคำที่ธรรมสภาว่าอะไรหนอเป็นปัจจัยแห่งโสดาปฏิผลของพรานกุกุตมิตรอ น, นึ่งผู้มีอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลเช่นนั้นทําไมหนอจึงเกิดในสกุลพรานเนื้อ พระศาสดาเสด็จมาตรัสเล่าถึงบุปกรรมของพรานกุกุตมิตรว่าในสมัยแห่งพระกสอบทศ พ, ทพลพรานกุกุตมิตรเกิดเป็นเศรษฐีชนบทเมื่อพระกสอบทศพลปรินิพานแล้วชนทั้งหลายเตรียมสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้วกล่าวกันว่าในการบรรจุพระธาตุครั้งนี้ต้องใช้ทรัพย์มากพวกเราควรได้ใครหนอเป็นหัวหน้าครั้งนั้น เศรษฐีชนบทสละทรัพย์ให้โกฎหนึ่งขอเป็นหัวหน้าคนทั้งหลายพาการติเตียนเศรษฐีในกรุงว่ามีเงินมากเสียเปล่างานบรรจุพระธาตอย่างนี้ไม่อาจเป็นหัวหน้าได้เศรษฐีในกรุงได้ยินนังนางเกิดความละอายจึงมอบทรัพย์ให้สองโกดขอเป็นหัวหน้าเศรษฐีชนบทให้สามโกฎเศรษฐีในกรุงให้สี่โกดขึ้นกันไปทนองนี้จนถึงแปดโกฎเศรษฐีชนบทคิดว่าถ้ารอให้เก้าโกดเศรษฐีในกรุงก็จะให้สิโกด ทรัพย์ของเรามีเพียงเก้าโกดเท่านั้นส่วนของเศรษฐีในกรุงมีถึงสี่สิบโกดเราต้องแพ้ในการออกทรัพย์คิดอยงนี้แล้วจึงประกาศแก่คนทั้งหลายว่าข้าพเจ้าออกทรัพย์ให้ได้เพียงแปดโกดเท่านี้แต่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุตรพัญญาและลูกสะใภ้จะยอมตนเป็นทาตของเจดีประชาชนในทรัพย์ดังนั้นจึงพร้อมกันตั้งเขาให้เป็นหัวหน้าในการบรรจุพระาธาตุครั้งนั้นและได้ขอให้เขาเป็นไทยไม่ต้องเป็นทาตของเจดี แต่พวกเขาก็ปฏิบัติเจดีจนสิ้นอายุไปบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่พุทธันดอนหนึ่งในพุทธุกบาตการนี้พัญญาของเขาจุติจากเทวโลกบังเกิดในสกุลเศรษฐีเมืองราชครึกได้บรรลุโสดาปติพล์ตั้งแต่ยังเยาว์ส่วนสามีไปบังเกิดในสกุลพรานเนื้อทั้งนี้เพราะปฏิสนธิของสัตว์ผู้ยังไม่ได้เห็นสัจจะเป็นของไม่แน่นอนความสน่หาในการก่อน ได้ครอบงำธิดาเศรษฐีในขณะที่เห็นพรานเนื้อนั่นเองสมจริงดังพระดำรัสที่พระสัสดาตรัสว่าอุปภเวสันิวาเสนะปันจุปันนะิเดนะวาเอวันตังชายเตเปมังอุปปลังวะยะโททาเกความรักเมื่อเกิดย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการคือเพราะร่วมสุขทุกข์กันมาในชาติก่อนหรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือนอุบลย่อมเกิดในน้ำหรือในเปลือกตมบุตรในชาติก่อนก็มาเกิดเป็นบุตรในชาตินี้ลูกสะพายในชาติก่อนก็มาเกิดเป็นลูกสะพายในชาตินี้เหมือนกันอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของคนเหล่านั้นมีเพราะอนิสงฆ์แห่งการปฏิบัติเจดีด้วยประกาศรัชนี